พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าโอวาทธรรมวันอาสาละหะบูชา อาศรหาบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นคณะสัตยาญาตโยมวันนี้มาวัดมากเป็นวันอสศรหาบูชาเป็นวันวันพวกนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้ไม่ใช่วันเข้าพรรษานะวันนี้เป็นวันอาศรหาบูชาอาศรหาบูชาเป็นวัน สำคัญอย่างไรเนี่ยคณะสัยาญาติโยมลูกหลานบางทีได้ยินมาแล้วกาหลงลืมบางทีก็ยังไม่ได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีวันมาฆวิสาขะวันวันนี้ก็คือวันอสารหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามสารนะอุบัติขึ้นในโลก เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปพระธรรมวันเดือนหกเพนจากนั้นพระองค์ก็ได้เสวยวิบูติสุขที่พระองค์ได้สําเร็จเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นจากเดือนหกเพนพระองค์ก็ได้เมื่อเสวยวิบูติสุข เพียงพอแล้วพระองค์ก็ได้เดินทางมาโปรดปัญจวคีทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมิขทายวันแขวงกรุงพารณสีจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรร ม, มาจากกบวัฒนสูตรพระัญญาโกนธัญะได้ตัดได้ดวงดวงตาเห็นธรรมวันนี้จากนั้นท่านก็ได้บวชได้บวชเป็นพระด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทา เ, เมื่อบวชเสร็จแล้วก็เป็นนันว่า ได้ทั้งพระพุทธไตเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธไตรจ้าวได้ทั้งพระสงฆ์สาวกที่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธไตรจ้าและได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแปลว่าพระไตรสารณคมอุบัติขึ้นในโลกทั้งสามรัตนคือครบบริบูรณ์วันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งที่พระรัตนไตรพระพุทธไตจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อุบัติขึ้นในโลกครบทั้งสามรัตนะเพราะนั้นวันนี้ก็คื อ, อ, อคือวันสำคัญเหมือนกับวันนั้นแต่ก็มาถึงวันนี้ก็สอง4้าห้าบี่ปีก็เป็นเวลาระยะยาวนานพอสมควรแต่วันนี้พวกเราได้มาพบมาถึงวันนี้ชีวิตของพวกเราเยังคงอยู่ พวกเราก็จะน้อมลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญคณะสัายาธิโยงก็ได้มาพร้อมกันจากจ า, กจ า, กจากตรุรธิเพรา น, นวันนี้ก็จะมีการไหว้พระ เ, เมื่อถวายพระทหารเสร็จแล้วก็จะมีการไหว้พระจากนั้นก็สวดมนต์ย่อจากนั้นก็อาราธนาสินรับสินต่อไปหลวงพ่อจะพูดก่อนเมื่อรับสินเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรอีกต่อไปอีกในขั้นต่อไปแต่ขั้นนี้ขั้นต้นนี้ให้ไหว้พระรับสินสก่อนครัอาจารย์สุพจนศพรโรงเรียนน้ําซึมเป็นผู้กล่าวพานาไหว้พระสมาทานศินวันนี้แหละเป็นวันประเดิมพวกเราจะจริงจังยังไงแค่ไหนก็สุดแท้แต่พวกเราจะเป็นผู้ กำหนดเองพระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกจากเวียงวังที่ไปอยู่ป่าไปบาเพ็ญอยู่ในป่าพระ อ, องค์ก็กำหนดพระ อ, องค์เองว่าเราออกจากเวียงวังข่าวนี้เราจะไม่หวนกลับคืนโดยเด็ดขาดนะคือท่านตั้งในท่านตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นไว้แล้วคือก่อนที่ท่านจะออกไปเนะี่ยท่านก็คิดดีแล้ว ท, ทบทวนดีแล้วท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหาความสุขในพระไทย แม้แต่หน่อยหนึ่งไม่มีแล้วครบถ้วนบริบูรณ์แล้วท่านจึงตัดสินพระไทยออกไปว่าเราออกไปครั้งนี้เราคงจะไม่กลับหวนกลับมาอีกเพราะว่ากลับมาก็มาแก่เจ็บตายก็หาอะไรความอะไรคือความสุขที่แท้จริงพระ อ, องค์เห็นหมดแล้วเพราะนั้นพวกเราก็เหมือนกันที่พวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะออกจากสิ่งที่มืด บังเรวดว่าที่มืดมิดปิดตาหรวอว่าที่มัวหมองหรือว่าเป็นที่ไม่ดีพวกเราควรจะคิดให้ดีซะก่อนว่าก่อนที่เราจะเดินออกจุดนี้ เ, เราควรจะตั้งจิตใจยังไงอย่างข้าพเจ้าจะงดบุหรี่อย่างนี้ก็รู้แล้วว่าบุหรี่มันไม่ดีเห็นโทษแล้วพิจารณาทีไรก็เห็นโทษแต่มันออกยังไม่ได้แต่เมื่อเราพิจารณาทีทั่วแล้วก็ตัดสินใจ อย่างที่พบพระทัเจ้าตัดสินใจออกจากเวียงวังอย่างนั้น่ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่โดยเด็ดขาดพระที่ดื่มสุราก็เช่นเดียวกันเราพิจารณาดูแล้วว่าการดื่มสุรามันให้โทษมันมีคุณมีโทษอย่างไรเราก็เห็นคุณเห็นโทษในใจของเราเต็มพกเต็มใจแล้วเราก็ตัดสินใจทูดว่าข้าพเจ้าจะงดโดยเด็ดขาดอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็อบายยัมุกพุกอย่าง เที <Asian> ่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกจติค้าทาการงานดื่มน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกานเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจตาค้าทาการงานอันนี้คืออบายยมุกแต่ละข้อละข้อนั้นเราติดอยู่ในอันไหนเราติดอยู่ในอันไหนที่มันแก้ยากเราก็พิจารณาให้ทีท่วนท่วนทีแล้วก็จากนั้นเราก็เดินออกจากจุดนั้นไปได้ แต่ถ้าเรายังหวนกลับกลับไปไ ป, ไ ป, ไปกลับกับกลับกลั บ, ลบ ไ, ป ไ, ปไปไปอ่แปลว่าแปลว่าไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดหลักรอยผลที่สุดก็หาความจริงจังไม่ได้ผลที่สุดก็ล่มจมกับที่เก่าไปไม่ได้ไปไม่รอดเหมือนกับนกติดยาเสพติดอย่างนั้นอ่ะบินออกจากกองแล้วก็ยังคิดถึงกองอยู่เพราะเหตุไรเพราะเจ้าของเอายาเสพติดให้มันกินนะ นี่ก็เหมือนกันนะั่นน่ะใจของเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วควรจะตัดสินใจนะให้เด็ดขาดอันนี้ก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันประเดิมเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่พระพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อนี่พระพุทธอุดมมงคลชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคล เพราะนั้นพวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรในพรรษานี้กราบไหวพพธธ้พระพุทธปฏิมากรพระพุทธอโดมมงคลั้งจิตอธิษฐานจากนั้นข้าพเจ้าจะตั้งสัจจะอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดข้าพเจ้าจะตักบาตรทุกวันข้าพเจ้าจะทําบุญทุกวันข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันใข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาไม่ให้ขาดสักวันอย่างนี้เป็นต้น วสรุปแล้วก็คือให้เป็นคุณงามความดีแต่จะไปอธิษฐานไปในทางที่ชั่วช้าเสียหายความเสียหายความชัวนะ่วพวกเราก็คงจะเรียนรู้ดีชั่วคืออะไรเราพวกเราก็ควรจะไปในทางดีตัดสินใจไปในทางที่ดีทางที่สูงขึ้น น, ะนี่นะแหละก็ตัง้งจิตอธิษฐานเมื่อตนตัง้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ นั่นะรักษาชัดเจาะของเราไปเรื่อยๆจนวันออกพรรษานั่นะออกพรรษาเสร็จแล้วเราก็มากราบภาพพุทธอุดมมงคลลูกลกหนุกูกนกลกลูกนกลูกกาลูกหลานข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำนั้นก็สาเร็จแล้วขอพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพร ให้แกเข้าไปเจ้าด้วยเทินเข้าไปเจ้าต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ปรารถนาแล้วต เ, เพราะว่าเราทำดีแล้วจึงขอพอรอไม่ใช่ว่าปลกปรับมาไม่เท่าไหร่มีแต่ขอแต่พรขอพอรวัดนั้นขอพอรวัดนี้พรเก้าวัดแต่ตัวเองกินกินเหล้ากินชุลาหัวลาน้ำอยู่ขนาดไปพูดกับพระก็ยังพูดปิดพูดถูกแล้วยังไปขอพอรกับท่าน ท่านจะให้พรได้อย่างไรเพราะเราทําตัวไม่ดีนะถ้าเราทําตัวดีซะก่อนอจึงขอพอรพรนั้นจึงประสิทธิ์ประสานให้แก่พวกเราเพราะนั้นพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขอให้พวกเราทุกๆท่านนะรักษาศีลวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาหะบูชาแต่วันพุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษานะตอนนี้ไปหลวงพอ่อจะเป็นผู้พานา สมาทานศินศินวันนี้จะรักษาศินห้าด้วยรลก็สัตวิดสินอุโบสถด้วยนะมีสองสินวันนี้จะให้ศินห้าและก็หกเจ็ดแปดต่อไปนะขอให้พวกเราทุกทุกท่าผู้ที่มีภาระมากอยู่กันอย่างน้อยก็รักษาศินห้าผู้มีภาระเบาบางลงไปแล้วก็น่าจะสมาทานสินอุโบสถวันนี้เพราะว่า เป็นวันสำคัญควรจะเป็นทําตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่ว่าพวกเราไม่ทําใครจะทําให้เราถ้าเราไม่สร้างบุญใครจะสร้างให้เราคนสื่นสร้างให้กันอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่กินอาหารใครจะกินอาหารแทนเราถ้าเราไม่เรียนหนังสือใครจะเรียนหนังสือแทนเราถ้าาใครไม่าเราไม่ออกกําลังกายใครจะออกกําลังกายแทนเรา คือบางเสียงบางอย่างคนอื่นทําแทนได้แต่ของอย่างนี้ทําแทนไม่ได้ตัวเองต้องทําเองอย่างสร้างบุญสร้างกุศลตังเองต้องทําเองรักษาศีลตัวเองต้องทําเองแต่กาถ้าใช้ให้คนอื่นทำนํำหรือหลวงพ่อเนี่ยคงจะใช้ให้คนอื่นทําทั้งหมดหลวงพ่อจะอยู่แบบสบายแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ตัวเองต้องทําเองเพราะนั้นศีลห้าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง รับเองแล้วก็ปฏิบัติเองปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์มีแต่ยุงนับแต่ยุงเลิน้นตัวเล็กๆมาให้ฆ่าเนชีวิตเขาชีวิตเราเรารักชีวิตของเราเขา ก, ก็รักชีวิตของเขาเราไปฆ่าเขาฆ่าวงสาคณาญาติของเขาฆ่าพ่อแม่ของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละสรุปแล้วคือศีลและธรรมของพระพุทธเจา้าเน เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขาเราเขาเรานะ เ, เมื่อเราไม่ต้องการทุกอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะทาทุกข์ให้แก่คนอื่นเขาเต่างคนก็ต่างร ะ, ระเวียงระวังจากนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นจุด ก, ก็จะเกิดขึ้นอันนี้แหละคือศินอธินาทานก็เหมือนกันอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยเขาละ่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาขโมยของเราละ่ะมีเหมือนกัน สิงข้อที่สามกาเมสุมิชชายจาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสตงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะอ่าเขอมีความรู้สึกอย่างไรเขาเราเหมือนกันอ่ข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเอา่ไปหลอกเงินเอาไปหลอกเอาเงินเอาทองเขานะ่ยไปหลอกเอาของปลอมไปแหละไปหลอกเขานะ่ะ เราก็รู้ว่าของปลอมเอาก้อนหินไปแล้วก็ว่าดเหล็กไหลยอย่างนี้แต่ตีราคามันเป็นแพงๆําท่ า, ท า, ทาปลุกเสกมุมะ ม, มับนะให้เขาเชื่อนะอาจากนั้นก็เนี่ยหลอกเขานะโกหกเขานะเป็นยังไงถ้าเขามาทําให้แกลเราอย่างนั้นอนะเรามีความรู้สึกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องพูดตามความเป็นจริงอันนี้คือสิงของพระพุทธเจา้าข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราแตนะ่เมื่อเมาสุราเมายาบ้ากัญชา ย, ยาฝิ่นพวกเราเห็นไหมนะทําอะไรก็ไม่รู้สึกตัวเพราะมันเมาสมองปันป่วนในะเมื่อมันเมาแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างอฆนะ่าคู่ฆ่าคนก็ไไม่รู้สึกเพราะเหตุใดเพราะมันขาดสตินะเพราะคนขาดสติความจําทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ ดาเจ้าดานายตัวเองก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมียก็ได้ดำทําได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันขาดสติเรารู้อยู่แล้วว่ากินจุราเข้าไปดื่มจุราเข้าไปมันขาดสติเราจะไปดื่มทาไหม เ, เราทําไมจริงอยากจะเป็นอย่างนั้นเร า, าจะขาดสติเหรอนี่แหละอันนี้ก็ให้ทบทวนดูการประพฤติปฏิบัติของตนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราเมื่อเราเห็นโทษแล้ว แล้วก็ควรจะงดในการดื่มสุราอันนี้คือศินห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ดื่มของมึนเมานี่แหละอสินห้าสินอุโบสถก็คือไม่ทานอาหารในเวลาวิการห้ามไม่ทานอาหารเวลาวิการแล้วก็ไม่ร้องรำทำเพลงหรือไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงเสียงดนตรี พอที่เก็ข้อที่8กับมาลาไม่ให้ทัดทรงดอกไม้ของหอมไม่ให้ลปลุปล้ายส้างกายเหมือนตัวดิเกละครฮะแต่งพอเหมาะมาดูรักษาสุขภาพร่างกายพอเหมาะอย่าให้เกินไปอันนี้ก็คือมาลาอุจจาไม่ให้นอนที่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแหละสำลีไปสแสวงหาความสุขในการนอนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่า อย่าไปแสวงหาความสุขในการนอนสรุปแล้วก็คือเป็นการขัดเกลากิเลสนะตั้งแต่สีลนหจนถึงสิน7สนเจนะ็สินินเกเนีเป็นเครื่องขัดเกรากิเลสของตัวเองการไม่ทานอาหารตัดตัดความรู้สึกตัดทางรสทางลิ้นแล้วก็ไม่ให้ฟังเสียงตัดทางหูอารมณ์ทางหูที่มันเข้าสู่ใจจากนั้นก็ตัดทางจมูกไม่ให้มีกลิ่นเข้ามาทางจมูก ไม่ให้เข้ามาสู่ใจอแล้วก็ไม่ให้สัมผัสอที่นอนยัดนุ่นและสลัมฤทธิตัดสัมผัสทางกายอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องทําให้จิตใจของเราอรู้เท่ารู้ทันสํานึกอในสิ่งการในเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราอันนี้คือสิลงแปดนะนี่แหละสิลงห้าสิบหกสิน 8, นะ่เจ็ดสิ่แปดอันนี้ตอนนี้แต่นี้ต่อไป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 พุทธังสระนางคัชามิธรรมมังสระนางคัชามิถ้าต่อเนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาให้แก่คณะทาญาติโยมได้ฟังได้เรียนรู้เพื่อการศึกษาพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทางว่าไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราจะรู้เรื่องต่างๆนั้นคง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 ความพ่องใสเพราะได้ฟังเสียงเหตุเสียงผลเสียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีที่คัดค้านอย่างหงพ่ออธิบายให้ฟังว่าศีลห้านะมีคุณค่า ย, ยัางไรพวกเราเอาไปคัดค้านเลยสิคัดค้านกับข้า ง, า ง, างๆกูกูนะแต่ใช่ค่าคนอื่นนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เขามาคิดค่าเราละ เ, เรามีความรู้สึกอย่างไรเนะนี่ยนะใจเขาใจเรา เนี่ยแหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วกว่านั้นนาไปกันกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาเห็นจริงตามทำคําคที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะแล้วก็สุดตามอายัปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าคนไม่ได้ยินได้ฟังจะเกิดปัญญาได้อย่างไรไม่รู้ว่ญญาปัญญาประคแนงไในในโลกมันต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง กินตามมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรพบทว น, ทวนการกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานั้นอันนี้ก็จะเกิดปัญญาแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็นํามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลถี่ถ้วนลงไปงถ้าคนาจิตใจรวนเละจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ เราจะนํามาพิจารณาเรื่องราที่ได้ยินได้ฟังมานั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจของเราไม่อยู่กันเนื้อกับตัวอยูแ่แล้วเราจะมากันกรองไตรตรองเรื่องละเอียดถี่ถ้วนนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าภาวนามย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบซะก่อนจิตใจให้เนื่องซะก่อนจากนั้นจึงนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผล สรุปแล้วคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวมาก็อาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้รู้พระธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นพอพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้รู้พระธรรมจากนั้นพระธรรมพระองค์ก็แนะนําพระธรรมในที่ได้ตัดสัรู้นั่นน่ะเอามาประกาศเผยแพร่ให้แก่ปัญจวคขีทั้ง5้าฟังเมื่อปัญจวคขีทั้งห้าได้ฟังในวันนี้วันอสสรหะบูชาวันนี้น เมื่อท่านได้ฟังกันกลองไตรตรองตามที่ได้ยินได้ฟังแต่อันดับแรกปัญจวัคีทั้ง5้านะกระด้างกระเดืองกระด้างกระเดืองคืออะไรเพราะว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าตั้งแต่คนนิบัติพระพุทธเจ้ามานมนานจากนั้นขอบพุทธองค์ก็บบำเพ็ญทุกขกิริยาบำเพ็ญมากมายหลายๆอย่างที่อยู่ด้วยกันปัญจวคีทั้งห้าโก้ ดูแล้วดูอีกมองแล้วมองอีกว่าพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จจะได้ตัดจุลเวเวลาไหนนั่งจ้องอยู่ตลอดในช่วงที่พระพุทธองค์อดพักยาหารไม่ฉันพักยาหานถึงสี่สิบเก้าวันอดจนร่างกายพายผอมอย่างเห็นได้ชัดเล ย, ยงั้นเออผอมลงมากๆเพราะไม่ได้ฉันอาหาร ปัญจวัคคีทั้งห้าก็คิดว่า น, นี่แหละเคขาวนี่แหละอสิท ธ, ธัตถะท่านจะได้สําเร็จตามความมุ่งมา่นปรารถนาของท่านคือค่อยคอยเฝ้าอยู่ตลอดเออมองตาไม่กระพริพในช่วงนั้นผลในที่สุดพระพุทธเจ้ากลับมามาชั้นอาหารพอกับชั้นอาหารเท่านั้นแหละปัญจวัคคีทั้งห้าโอ้สิทิสิทธัตถะคลายความเพียรเสร็จแล้วเวียนมาเป็นคนมากๆ มาอยู่มากินเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หามรู้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทางด้านจิตใจเ็นเพราะมันมองไม่เห็นจิตใจแต่บําเพ็ญทางรูปธรรมคือร่างกายเห็นดอดตาหารเห็นแต่ร่างกายผายพร้อมเห็นร่างกายผอมเห็นแต่ว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าสิทธะพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เห็นเพราะพระพุทธองค์คิดอย่างไรอันนี้มองไม่เห็นแต่นี้พระพุทธองค์ก็ กลับมาฉันประตาหารกลับมาฉันพระตาหารร่างกายพ อ, อ, อมีกำลังขึ้นมาพระองค์ก็บำเพ็ญทางด้านจิตใจพระองค์คิดว่าการบำเพ็ญทรมานกายให้ลำบากนี่ไม่ใช่ผลทางไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้แต่พระองค์ก็เลยบำเพ็ญทางจิตตภาวนานี่แหละเีนี้พอ พระ อ, องค์ก็บำเพ็ญทางภาวนาคือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออ ก, า จ, าา จ, ออกจากนั้นพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระ อ, องค์ก็เกิดยานัทัสนะเกิดฌานจากนั้นระลึกชาติผลหลังได้จากนั้นก็พระ อ, องค์ก็ได้ตัสรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6เพ็นนั้น จากนั้นเมื่อได้สําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็คิดเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่แรกท่านก็ลําลึกถึงดาบทสององก่อนแต่ดาบ ท, ทั้งสองที่เป็นอาจารย์ของท่านคือเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าและท่านได้ล่วงละสังขารไปแล้วไปตายไปแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่นี่ท่านก็ลําลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้า จากนั้นเมื่อท่านเสวยวิมุตติสุขเป็นที่พรอปไทยแล้วพระ อ, องค์ก็ได้เดินมาโปรดปัญจวกขีทั้งห้าอ่หอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมาถึงกรุงเขตแขวงพาราณสีป่าอิสิตะปัตนนิกทาญเจวันจากนั้นปัญจวกขีทั้งห้าเห็นกับกระด้างกระเดืองกระด้างกระเดือนคืออะไรคือเออส ม, มณะโพรมอยู่ตามลำพัง ไม่มีใครปลนในบัตรไม่มีใครดูแลเอีเพราะฉะนั้นเลยเดินมาหามาหาพวกเราให้เราปลนในบัตรให้พวกเราอุปตัมประถากเหมือนกับคราวนั้นน่ะพวกเราอย่าลุกลับนะฮะนัดกันห้าคนนะ่ะปัญจวคีทั้งห้านัดกันทําท่าไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องตุ่ตอนรับขับสู้อะไรหล่ะจะมาก็ามาจะไปก็ไปแปลว่าศรีรถะเนี่ยหมดแล้วเออเป็นคนเป็น พวกโขนเวียนเปลี่ยนมาเป็นคนมากๆเสลยแล้วคิดสิทธัตถะเนี่ยอันนี้คือปัญจวคีทั้งห้าคิดในใจแล้วก็พูดกันแต่พอสิทธัตถะพอพระพุทธเจ้าเดินเข้ามาใกล้สิทธัตถะที่ตั้งกติกากันไว้นั้นลืมหมดเหมือนกันครัเพราะเห็นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้านายเก่าเดินเข้ามาแล้วก็จะทํำยังไงก็คือกลาง แข็งแข็งกระด้างมันก็ไม่ถูกต่างโงนก็ต่างลืมตั้งกติกากันคนหนึ่งกับไปรับบาทคนหนึ่งก็ไปรับจีวรคนหนึ่งก็เตรียมน้ําล้างเท้าค น, นก็เตรียมอาสนะรองรับาจากนั้นก็ปูอาสนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันหล้างอีกเหมือนกันเฉยท่านจะว่าและ ว, ว่าไปเราไม่สนใจเพราะพระเถรองก็บอกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าพวกท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหม อ, อย่างนี้เขาก็เฉย ปัญจวัคคีทั <till> <op> ้งห้าพวกเธอได้ยินไหมตั้งแต่ตจงตั้งใจฟังคํานี้พวกท่านเคยได้ยินไหมตั้งใจฟังจงตั้งใจฟังคํานี้ได้ยินไหมปัญจวัคคีทั้งห้าจะได้สนใจนี่นี่คือสนใจฟังถึงทําไมจึงจะให้ตั้งใจฟังฟังเรื่องอะไรเพราะพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวธรรมจักรกปฏิวัติสูตรให้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าฟังปัญจวัคคีวกนี้ฟังฟังด้วยความตั้งใจไป พระองค์พูดออกมาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยท่าน เ, เรื่องความ ก, การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นท ำ, งงทำยังไงจึงว่ามัชชิมาปฏิปทาอตตกิลามัตถาทํำยังไงทํำยังไงจึงจะเป็นสายกลางทํำยังไง จ, งจึงจะถูกต้องการมัสุขันนิการคืออะไรอตตะกิลักิลัมัตฐานคืออะไรมัชชิมาปฏิปทาคืออะไร พระพุอง์ได้สีแจงให้ปัจจุบันีทั้งหปัจจุบันเท่าห้าก็ฟังเลยจ้ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจจากนั้นพวกรองคก็บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งทุกทั้งหลายทั้งปวงดับเป็นธรรมดาอันนี้คือคือหัวใจธรรมะจักกระปวัฒนาสูตรที่พระัญญาโกลทัญญะได้สําเร็จพระสูวดาบันเป็นท่านแรกนั่นะคือให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา จากนั้นพระอัญญาโกลนยะ e ได้ฟังจุดนี้ พ, ออ ร, พระอัญญาโกลนยะก็ได้สำเร็จพระสูดาบันพระพุทธองค์ก็พอสําเร็จพระสูดาบันพระพุทธองค์ก็รู้รู้ว่าพระอัญญาโกลนยะได้สําเร็จพระสูดาบันแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าอัญญาสีวัตถะโกลทันยูโกลนทันยะ ร, รู้ทำแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนาะจากนั้นพระอัญญาโกลนยะก็ขอบวชเป็นท่านแรกในพระพุทธศาสนาที่ ว, ว่าพระสง์เกิดขึ้นองค์แรก ในพระพุทธศาสนาเป็นอริยสงฆ์คือเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะรู้ได้นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงได้ประกาศธรรมประกาศธรรมก็คือประกาศเอาคําพูดพระธรรมคําสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราไม่ได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาด ปาดเปืองนั้นเป็นไปไม่ไดน้นี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคาสอนถึงสอนกันมาเป็นลําดับลําดับพวกเราก็เหมือนกันเราเกิดมาแล้วก็มีหน้าที่การงานทํามาหาเลี้ยงชีพก็ทํามาหาเลี้ยงชีพใครทําหน้าที่อันไหนก็ชํชนานิชํานาญในวิชาอาชีพของตนแต่ก็วิชาธรรมะพวกเราไม่ได้สนใจแต่เพราะนั้นพว ก, พวกเรานะต้องการความสุข ทางด้านจิตใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจแล้วให้ศึกษาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสอนเรื่องจิตเรื่องใจท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วตัวใจใจดวงนี้แหละจะไปเกิดเป็นเทวดาเทวปุตรอินพรม่ะไปที่ไหนได้ก็คือใจดวงนี้จะไปเป็นสัตว์ทิฏฐิจานท์ ตกนรกปกไหมก็คือใจดวงนี้เพราะนั้นพวกเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนหรือจะเป็นภราริยะบุคคลก็คือใจดวงนี้ใจดวงนี้เป็นผู้พาไปถ้าว่าใจของเราชําระหมดกิเลสละกิเลสราคะโทสาโมหะออกจากใจได้แล้วใจของเราก็ได้เป็นพระอราหันต์ใจนั้นเป็นพระอราหันต์ไม่ใช่อื่นไกล ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ชวนอื่นแต่พอใจได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วร่างกายก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ท่านไม่ใช่ว่าร่างกายตัดสู้นะพระไทยของพระองค์นะใจของพระองค์นั้นได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อใจของพระองค์พระไทยของพระองค์ได้ตัดสู้ทำแล้วร่างกายของพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่นั้นสถานที่ไหนที่พระองค์ที่พระพุทธองค์ประทับ หรือกว่าที่พักแรมของพระองค์ก็สถานที่แห่งนั้นก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระยาติพระญาิพระวงวงก็เป็นพญาิพระวง์ของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท4มาถึงทุกวันนี้ส0 0พกว่าปีพวกเราก็เป็นพุทธบริษัท4ี่ของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะใจของพระพุทธเจ้าได้ตั้จรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นสิ่งที่เกี่ยวเรื่องกับพระพุทธองค์ก็ สำคัญไปด้วยเพราะนั้นสรุปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังอาจารย์อาศัยการครบค้าสมาคมถ้าว่าพวกเราได้มิตรที่ดีได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้ปราดที่ดีแม่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามำคำคาสอนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปพูดหวั่นลวงเพราะเองเนี่ยเป็น อาจารย์จะเป็นบณัณฑิตนักปราชญ์มาสอนพวกท่านให้พวกท่านทั้งหลายเน้นไปทางพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพราหลวงพ่อเองก็ได้นํำทำความสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนําให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ละขนแขนงจากนั้นก็ได้นํำทำของพ่อแม่ค cut, รูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาและจากนั้นก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติได้เห็นผลอย่างไรรู้อย่างไรหเห็นผลอย่างไร หลวงพ่อเขได้นํำทำที่สิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมาบอกกล่าวให้ใแกท่านนัสธาญาติโยมได้ฟังอีกธรรมะของหลวงพ่อสรุปแล้วก็คือหลายๆอย่างสรุปแล้วก็คือพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง อ, องค์นั้นบังองค์นี้บังทำมเทศนาของพระพุทธเจ้าบังในพระไตรปิฎกบังกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บังจากหลวงพ่อบังให้พวกเราให้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคม กับบุคคลที่เป็นบัณฑิตนักปราพวกเราก็จะเป็นบัณฑิตนักปราศ ด, ด้วยแต่ถ้าว่าพวกเราครบค้าสมาคมกับคนเลวนะไปคบกับคนเลวคนที่ชอบเล่นการพนงเล่นการพนันบางทีไปคบคบกับคนที่สูบบุหรี่อย่างนี้บางทีเอาเอาให้ดูสิโอยทั่วไปเราก็ติดบุหรี่กับเขาไปด้วยถ้าไปคนไปคบกับคนกินเหล้าคนดื่มสุราแล้วก็ติด สุราไปกับเขาด้วยถ้าเราเป็นไปพบกับคนดื่มสูบคัญชาเราก็ติดคัญชาไปกับเขาด้วยถ้าเราไปกินไปพบกับคนที่กินยาบ้ายาาเราก็คอยติด ama, ยาบ้ายาาไปกับเขาด้วยถ้าเราไปพบกับคนเล่นการปรนงการปร น, านันเราก็คอยติดกับเขาไปด้วยเพราะนั้นการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะเลือกเฟ้นว่าควรจะลบเรือก เือกควรจะพบบุคคลเช่นไรจึงจะเป็นอัตเป็นธรรมจึงจะเป็นคนดีไปได้ในครั้งพุทธเจ้านะในครั้งพุทธการมีพระพุทธองค์ปารพพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสกุลสมัยนั้นท่านปารพเรื่องพระเทวทัตกับพระชาติพระเจ้าชาติอาชาติชัตรูคือพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบินลพัฒน์ในตะกอนก็พระเจ้าพิมพิสารครองกรุงกบินละพัฒน์ พอต่อมาพ บ, พบตรงก็ได้ตัดสรูปในแขวงกุงราชคือนะจากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศพระศาสนาก็ตกพระเทวทัานก็ได้บวชกับพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อพระญาติพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกเป็นลู ก, ลกอาพระเทวทัานเป็นลูกอาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนโตแต่พระเทวะทัตที่เป็นลูกน้องสาวพ่อ แต่พวกงได้โปรดพันเจ้าโปรดพันเจ้าโปรดพวกกษัตริย์จากนั้นพระเทวทัตก็ได้บวชพอบวชแล้วตอนนี้ก็มีความคล้ายๆว่าอิจฉาอยู่ในใจความอิจฉ้าตัวนี้แหละทําให้คนร่มจมจิบหายแต่ํามไม่จริงมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นไปได้เพราะความอิจฉ้าตัวนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าอยู่ในความอิจฉ้าอยู่ในใจของเรามีมากน้อยอย่างไรให้พวกเราให้ดูให้รู้ ให้กำจัดออกถ้ามีความอิจฉาอยู่ในใจแล้วมันจะทำความชั่วช้าเสียหายมากมายหลายอยา่างอย่างพระเทวทัตก็เหมือนกันท่านเห็นพระพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโดง่งดังท่านก็อิจฉาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนจากนั้นก็ไปยุโยงให้พระเจ้ากุ ม, มารากุ ม, มารคือลูกของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าฟ้าชายอซ า, ศาตัสรูอซาจัสรูเป็นฟ้าชายของ เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารไปยุให้เลยอชาติโรเธอยังน้อยหนุ่มนะบิดาของแก่ก็ยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่ถ้าว่าจะให้พ่อตายซะก่อนอายุมากแล้วตายซะก่อนเธอเนเป็นพระเจ้าเป็นดินเมื่ออายุแกแล้วนะจะเกิดประโยชน์อะไรจะหาความสุขได้ยังไงเพราะนั้นเธอเนะี่ยควรจะจัดการพ่อของเธอนะสำเร็จโทษจะฆ่าทิ้งซะ เธอก็ดีของราชจะไม่ดีกว่าเหรอนี่นี่แหละคบกับภาลชนเป็นอย่างนั้นนะเนคบกับภาลชนเขาจะต้องแนะนำไปในทางที่ผิดแต่นี้พระเทวัตรพระอาซาชตรูโอใช่น่ยอย่างที่ลูกพี่เราพูดจริงๆอย่างพระเทวทัตพูดจริงๆพูดถูกเลยเนี่ยถ้าฮาวาบอยให้พ่อดำลงทาขันไปจนถึงท่านมรณะภากี่ปีละ เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าพ่อนะ่ยยังหนุ่มอยู่เออถ้าเราสาเร็จโทษสักค่าทิ้งซะเราก็จะเป็นพระเจ้าเป็นดินแต่น้อยแต่หนุม่มเราก็จะมีความสุขเออเที่ยวเตะอะไรก็ได้สนุกสบายเพราะเป็นใหญ่เ่ยจากนั้นควาวิธีวิธีวางแผนจนะับยิงจับพ่อของตนเองเข้าไปขังไวนะ้เนี่ยสำเร็จโทษอย่างที่ว่านะ่ยจากนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็สวรรคตตายเนยตายในคุก พ่อลูกชายนะ้ํามือลูกชายถังพ่อตายจากนั้นตัวเองก็เด็กเขึ้นไปครองราชเป็นราชเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นพระเจ้าอาชาติชาสตรูนะจากนั้นก็เป็นใหญ่ในกรุงราชสุขนะจากนั้นพระเจ้า พ, พ, พ, พ, พระเทวทัตก็บอกพระเจ้าชาตรต์โตอีได้ไหนึ่บอกเมื่อเธอทำสำเร็จแล้วนะเธอต้องช่วยเรานะเจนีน ะ, เ, ะเราเนี่จะวางแผนฆ่าพระพกุฏิจ่า เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนบัดเนี่ยนะต้องช่วยเรานะอัสาสตูป์พร้อมเต็มที่เหมือนกันเถิดลูกพี่สั่งให้ทําอะไร ท, ทําให้ไดยทั้งหมดนะแล้วก็ไปสร้างวัดอยู่ที่พยานศีสะให้แก่พระเทวทัตจากนั้นก่อนัรนะเทวทัตก็บอกเออเราต้องการนายขมังธนูนะนะเพื่อจะไปยิงพระพุทธเจ้านะอัสาสตูป์จัด เตรียมพร้อมนายคำังธนูให้สมั่งเลยวงั้นเถอะมือหนึ่งของกลุงราชคฤห์เลยเข้าไปเพื่อจะไปยิงแต่ยิงไม่ได้เพราะบารมีของพระพุทธเจ้าเหนือกว่าเนีง้างธนูมาแล้วปล่อยลูกศรไม่ได้ผลที่สุดก็ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าตั้งหลายคนนายคำังธนูที่กขาวางแผนจากนั้นก็ปล่อยช้างนาราคิริงอีกพระเจ้าอาา๋อทราบดูสั่งให้ปล่อยช้างให้ที่จี้พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์อีกในทางแคบแ พระองค์ก็เมตตาช้างนารากริงีมอบกราบอีกชนะอีกมีหลายๆเรื่องที่พระเทวทัตกับพระเจ้าชร้างศัตรูจนในสุดพระเจ้าพระเทวทัตเนี่ยกิขึ้นไปบนภูเขาเกล้่ยจะกิี่ยหินทับพระพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูจนในสุดก่อนพระองค์ก็เลยเอาฝ่าพระบาทรับถ้าไม่ได้ใจพระเทวทัตเดี๋ยวพระเทวทัตอยู่หัวใจแตกตายในขณะนั้นพระพระพุทธองค์คิดในถึงไปในอนาคตว่าง เทวทัตเนี่ยคงจะเห็นโทษอยู่ในเมื่อครั้งสุดท้ายของเทวทัตเนีจะตายเนี่ยเทวทัตจะต้องเห็นโทษเนี่ยความเห็นโทษจุดนั้นแหะเทวทัตจะลดละความบาปของเทวทัตลงเนี่พระองค์ก็มองถึงจุดนั้นพระองค์ก็รับเอาฝาพระบาทครับก้อนหินที่จะเกตีหินทําให้พระโลหิตให้ห่อทําให้พรประวัติพระพุทธเจ้าห่อ จากนั้นพระเทวทัตก็ได้ใจใจากนั้นก็วางแผนอีกมากมายหลายหลายอย่างผลในที่สุดพระเทวทัตแผนดินพอทำยุยงสงให้แตกกันเป็นครั้งสุดท้ายพระเทวทัตก็ออกจากพระพุทธเจ้าออกสงจากพระพุทธเจ้าไปทั้ง500องค์พระบวชใหม่พระบวชใหม่ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เรียนรู้ในหลักธรรมวินยัยพระเทวทัตก็ยุยง สงก็เลยแตะไปเป็นหมู่ของเทวทัตพะเทวทัตเจแล้วก็พอต่อมากปกครองสงไม่อยู่ทินพระพรพระพุทธเจ้าให้พระโมกขรารภาษาริบุตร <Yeah. S 1> ไปบอกไปแนะนาสงที่พระสงฆ์บวชใหม่มันยังไม่รู้จักหลักพระธรรมวินัยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกท่านควรจะไปบอกเขานะโมกาคารภาสาริบุตรนะนี่พระโมกขารภาษาริบุตรที่เป็นอครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็ไป โคดไปโปรดปันพระภิกษุสงฆ์ห้าร้อยองค์ที่เป็นลูกน้องพระเทวทัตเนี่ยอพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกมาเออพยองพองตัวโอ้โมกขลาสาลีบุตรอจะมาเป็นบริวารเราเหรอมาเป็นอัครสาวกเราเหรอเป็นเป็นอัครสาวกของเอพระพุทธเจ้านานแล้วเอ้ามาเป็นสาวกของเราฮะพระพระหรหัสทั้งสององค์ท่านจะว่าอะไรแตงก ท่นก็คงจะว่าครับผมก็คงจะว่าอย่างนั้นหรือไม่ท่านไม่ว่าท่านก็เฉยๆอย่านีนะพระเทวทัตเห็นว่าภาษาลรบุตรโมกคลามาเป็นหมู่ของตนเองก็เฉยทีแท้เนี่ยพระโมกคลาท่านใช้อิทิลิสได้ไงเนี่ยกล่อมคล้ายๆว่าใช้อิทิลิสใหพ้พระเทวทัตนอนหลับคล้ายๆแบบให้ยานอนหลับแก่พระเทวทัต พ, พระเทวทัตก็นอนหลับอุย้ยเออ พระโมกขากราภาษาริบุตรกระทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ห้าองค์เออพวกท่านทั้งหลายเข้าใจผิดนะอยู่ในสำหนักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพระเทวทัศน์เนี่ยมีความเห็นอย่างนี้นี้นะพวกเธอทั้งหลายจะมีความเห็นยังไงไปเสียงความเห็นผิดอย่างนั้นไม่ได้นะมันไม่ถูกนะพระโมคขาราภาษาริบุตรเลยอบรมพระใหม่ทั้ง500พระอยพระใหม่ทั้งหลายก็กลับใจพอกลับใจเสร็จแล้วปะไปกับเราไง พโมคลาภาษาไรบูดก็เลยพาพระสงฆ์เหาไปทางอากาศเลยไปกราบพระพุทธเจ้ า, เ, าเทีวทัดงัวเงียตื่นขึ้นมาเห็นแต่ลุกน้องสองสามองค์โอ้อาราเจียนไรว่าเออลากเลือดปรานั้นเถอะอาาเจียนเป็นเลือดออกมาเลยเพราะมันแน่นหน้าอกอย่างเต็มที่โกรธอย่างมากเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงเทนี้ก็พอจะนึนกว่าป่วยเลยลูกศิษย์ลูกหาเออ เขาก็แทก อ, อกอีกว่าะงั้นแหละเพื่ อ, อพอมันโมโหเลยทำไมเป็นนอนหลับขนาดที่พระสาวกมาเนี่ยยังเป็นเป็นถือว่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนอีกสมัยเซอร์ขนาดนี้ลักษณะยอย่างนั้นแหะเนี่ยว่าให้ลูกพี่ตัวเองนะเลยเขาก็แทก อ, อกพระเทวทัตพระเทวทัตไปยิงป่วยหนักลงไปอีกเห็นแต่เมื่อ ก, กลับ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยโอ้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงให้พวกพระสงฆ์หามไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้า บอกว่าเทวทัตนะเราตราดไปแล้วตั้งแต่เทวทัตยแยกสูงออกจากเราเวันนั้นสังฆเพศยังสงให้แตกกันนี่บาปหนักที่สุดในหลักของพุทธศาสนาข้อหนึ่ง อ, อ, อนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอารหันตคาตฆ่าพระหัน์โลหิตตุบา ท, ทําร้ายภูตเจ้าอย่างพโลหิตใหนหอบสังฆเภศทยุยงสงให้แตกกัน พระเทวทัตทําได้สองอย่างออทำทําได้สองก็งคือทําให้พโลหิตให้ห่อหนึ่งแล้วก็ยุโยงสงให้แตกกันหนึ่งในี่พระเทวทัตทำบาปหนักเทวทัตจะไม่เห็นหน้าตถาคตจะไม่เห็นเราตถาคตอี เ, ออ <c oughs> เห็นก็เห็นแล้วนะั่นแหละมาไม่ถึงจะไงก็ไม่เห็นจากนั้นเขาก็พระเทวทัฒน์ก็บอกโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตานะขอให้หามเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าโดยเทิน ข้าพเจ้าจะไปกราบขอคารวะจากนั้นพระองค์พระเทวทัตก็ได้เขาก็เลยหามมามาถึงหน้าวัดป่าเชตะวันมหาวิหารทเท ว, วทัตก็เลยแผ่นดินสูขไม่ได้เห็นพระพักพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆเลยทวยวท่าแผ่นดินสูขที่หน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารอะไรไม่ได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าจากนั้นพระเจ้าอัศจรรยตรูเทนี่ที่เป็นลูกน้องเทนี่ พอเห็นลูกพี่แผ่นดินสู่เท่านั้นแหละจิตใจวันไหวไกวแหวงอยู่ไม่เป็นสุขเลยเธอเนี่ยพอลูกพี่จากไปแล้วจากไปพราแผ่นดินสูบพอนอนหลับไปกลางคืนไปเลยเหมือนแผ่นดินจะสู่ตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็เห็นเปลวไฟนรกแลบแลอยู่ตลอดไฟแดงชาญอยู่ตลอดเหมือนไฟนรกมันจะไหม้ตัวเองแล้วก็เหมือนแผ่นดินจะสู่ตัวเองพระพะอาจารย์ชจรูญหาความสุขไม่ได้ในการเป็นอยู่เด็ม อ, อตั้งแต่พระเทวทัตถูกเป็นดินสูบแล้วจากนั้นพระเทวพระอาจารยตูปไม่มีทางออกเห็นว่าเนี่ยหมอชีวโกโมารพัฒเนี่ยที่เป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทางเดียวที่ทจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้ก็เลยเรียกเรียกหมอชีวกกหมอชีวโกรมารพัฒเข้ามาก็บอกว่าเราจะไปกราบอยากไปกราบพระพุทธเจา้าเ อ, อหมอชีวโกบอกว่า เดี๋ยวผมจะเข้าได้แต่แต่ต้องรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนถ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วก็ผมจะมาทูลเมื่อภายหลังจากนั้นก็เดินทางไปไปถึงหน้าวัดป่าเวลุวันหมอชีวกโกมลพัฒน์ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเอาเข้ามาได้พระองค์อนุญาตจากนั้นพระเจ้าเจสศตูก็เข้าไปพอเข้าไปแล้พระองค์ก็โอภาปาใส ถ้าบอกพระพุทธเจ้าไม่พูดอะไรเลยเข้าไปและนิ่งเทวัะพระเจ้าซาสตูนหัวใจแตกตายสลายแนว่วนี่ขนาดนั้นแหละคือความอัดอั้นตันใจของพระเจ้าชาสตรูจากนั้นเมื่อพระองค์โอภาปาศัยพระเจ้าซาสตูก็มีช่องทางจากนั้นก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องส า, สามัญยผลคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ก็ได้เทศนาว่าการให้พระเจ้าซาสตรูฟังพระเจ้าซาตตูกว พออกพอใจปึ่มปรีติอย่างมากอแล้วก็นั่งคุกเข่าขึ้นมากะกาบคารวะข้าพพุทธเจ้าได้ประมาทพาดพ้งพระพุทธองค์ด้วยกายพอดีด้วยวาจาด้วยใจทั้งแต่ต่อหน้าและรับหลังถึงอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็ขอพระองค์จงเอาหสี่ให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะส้ำรวมระวังต่อไปข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่มันก็สายเกินแล้วแต่ก็ยังดี ยังดีตรงที่ว่าโจรกลับใจนะพระพุทองค์ก็เอาโหสีให้เออเอาเอาโหสีให้แก่ท่านแต่ทำจํานวนที่บาปกรรมที่ฆ่าพ่อมันก็ตรงอย่างไม่หนีไม่พ้นล่ะจากนั้นพระเทวดาพระอ า, ะ ช, าะชาติพระเจ้าซาตูก็เลยนอนหลับสบายไม่เห็นเปลวนาลกอะไรไม่เห็นแผ่นดินจะสูกเนนิมิตนั้นก็หายไปาจากนั้นพระเจ้าซาตูก็เป็นพุทธศาสนาประถมพก ในกุงราชคือกลับใจพระเจ้าแผ่นดินกลับใจพระเจ้าศัตรูกลับใจพระพุทธสงฆ์ทั้งหลายก็ได้สนทนากันทนีบอกโอ้พระเจ้าศัตรูแปลกแต่ก็ยังนี้แต่ก่อนก็เป็นอาสับพบสบพบุรุษคือเป็นคนเลวเป็นคนพานแต่พอมาจากนั้นก็กลับใจได้ได้อีกได้มากราบพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าให้ หลักทําเหตุผลแล้วก็เป็นผู้กลับใจนับว่าเป็นคนดีนับว่าเป็นเป็นเป็นคนดีได้เออนับว่าเป็นบุคคลหาได้ยากถ้าทําได้อย่างนี้เพราะเป็นโจนแล้วกลับใจพราะพระเถรองก็บอกว่าเนี่นะภิกษุสงฆ์ทางหลายอาชาติศัตรูเนี่ยกับพระเทวทัตเนี่ยสรุปแล้วก็คืออาชาติศัตรูเนี่ยคบคบคนเลวคบคนชั่ว คบคนไม่ดีถ้าคบคนไม่ดีจะเป็นเช่นคนนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้ส้ำโหมให้ระวังการครบค้าสมาคมเนี่ยต้องดูถ้าเราไปคบคนไม่ดีเราก็จะไปตามนั้นถ้าลบคบคนดื่มสุราเราก็จะไปดื่มสุรากับเขาถ้าลบคนประเภทไหนที่เขาทําอะไรเรื่อสิ่งที่มันไม่ดีเราก็จะไปตามเขาเพราะนั้นอิซ า, าสตรูครบพระเทวทัศเนี่ยคบภารชน ใจของพระเทวทัตเป็นพานแต่อชาตาิศัตูนี่เกิครบไปก็เลยเป็นเป็นพานกับเขาไปด้วยแต่ไม่ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้นะชาติตะกอนก่อนก็เหมือนกั น, นการครบค้าสมาคมหรือว่าการกระทํำของอชาติศัตรูกับพระเทวทัตนพระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะพุะดวงบอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นทิ่จับฟาโมกอยู่ที่เมืองตะกัศีลาสอนสอนลูกศิษย์ถึงห้าคน สอนลูกศิษย์ห้าร้อยคนแต่นี่แหละพระเจ้าเราก็สอนมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ที่เรียนวิชากับเราแต่ว่าวิชาที่เราให้ประสิทธิ์ประสาทไปเนี่ยอาจารย์ให้ไปนีน่คือวิชาปลุกเสกสัตว์ตายแล้วให้คืนให้คืนชีพปลุกเสกคนก็ตามถ้าตายแล้วปลุกเสกให้คืนชีพแค่นี้อาจารย์เสก บอกให้คาถาแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเมื่อคืนชีพแล้วแล้วเสกคาถาให้มันมันตายอีกเนะี่ยไม่ได้บอกมนะันแต่ยังไม่ได้บอกคาถานั้นแต่บอกคาถาว่าเสกคาถาให้ให้มันคืนชีพแต่นี้ก็ในฉันชีวะเนะี่ยในชันชีวะคือเป็นลูกศิษย์นะี่ยอ่าก็ไปห า, หาฟืนหาผักผักฟืนในป่าไปไปไปเป็นหมูงั้นแหะ คือเวลาว่างอะอาจารย์ก็ให้ปไปนหาฟืนหาในาอาหารมาเป็นอาหารเลี้ยงกลุ่มกันนะแต่เนี้นก็พวกนีก้ไปด้วยกันสี่ห้าหคนไปเห็นเสือตายไปเห็นเสือตายเสือโค้งมานอนตายทางไอ้ฉันชีวะเนี่ยก็บอกเอ้ยผมได้เรียนคาถามานะอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทเรื่องคาถาปกเสกให้เสือตายแล้วคืนมาได้พวกท่านอยากจะดูไหม พวนะเขาอยากจะดูแล้วกันอยากจะดูเอาถ้าอยากจะดูออกขึ้นต้นไม้เหมือนเดี๋ยวผมจะเสกคาถาเองแต่นีก้ก็ไอ้สันชีวะนี่ยก่อนเชื่อคาถาบ้างไม่เชื่อาาบ้างคงจะเป็นอย่างนั้นพรไม่เคยเนี่ยพวนันกัปีนขึ้นต้นไม้จากหมู่พกเพื่อนต้นไม้สูงๆเน่ยเสร็จแล้วก็ไอ้สันชีวะนี่ยก่อนเสกคาถาหมุมมามุมม ม, มุ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มเสกใส่ก้อนหินเน่ยก็โยนใส่เสือตุ๊กใส่ครั้งหนึ่ง เสือกระถุกกะดิกใส่ตุ๊กอีกก่อนสองเนยก็ตกไปพอพบถึง ก, ก่อนสาเสือ ล, ลืมตาโพรงขึ้นมากัดโจนเข้ามากัดคอในชีวะเลยแั้นเน่ตายตายลงเดียวนั้นเลยเสือก็เลยตายอีกเหือเอีพอตายด้วยกันพวกที่อยู่ต้นไม้ลงมาโอ้ตายเสือกัดตายมันลุกขึ้นมาในจริงๆคนะาถาเนแบบนั้น จากนั้นก็เดยมาพูดให้อาจารย์ฝังทิสส์ปาโมกฟังอาจารย์ปาทิสสปาโมกบอกว่านี่แหละการที่คบกับคนที่ไม่ดีนี่ใครๆบอกไซคาถามาศึกษาจากเราไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้อย่างพระเทวทัตเนี่ยมาบวชกับเราตถาคตมาบวชกับเราตถาคตแต่ว่า เมื่อไรคาถาไปแล้วได้ความรู yeah. ้ไปแล้วเนี่ยมันไม่รักษาให้เขาว่าใช้คาถาไปในทางที่ผิดผลที่สุดนั่นนรกอเวจีก็เลยเข้ามาหาตัวเองนี่แหละอธิษฐานปาโมกในเขานั้นคือเราตถาคตเนี่ยเสือตัวนั้นก็คือนี่แหละคือพระเทวทัตนะแล้วก็มนุปก้อนนั้นนั่นแหละคือชั้นชีวะนี่แหละคือเป็นมนุษย์ มาคือพระเจ้าอาชาอาสาตศัตรูในเดี่ยวนี้นี่แหละท่านบาวรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบค้าสมาคมกับผู้คนก็ให้ระมัดระวังแล้วกับการสร้างคุณงามความดีก็ต้องทั้งรวมระวังแต่ถ้าว่าคนเราถ้าไปคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีถึงถึงว่าเขาจะไม่ใช่เขาไม่ได้ถืออย่างอื่นเขาก็ว่าเนี้ยกลุ่มนั่นแหะกลุ่มคนทิ่นี่แหละกลุ่ม คนที่ทําชั่วนะกลุ่มโจร น, นั่นแหละกลุ่มเนี้เขาก็จะดูตราเป็นกลุ่มไปแต่ถ้าว่าพวกเราเทําดีก็เหมือนกับเหมือนกับผ้าไปห่อของหอมผ้าห่อของหอมผ้าก็พลอยพลอยหอมไปด้วยพวเพราะอะไรเพราะว่าเราไปคบค้ากับคนที่ดี เ, เราก็ปลอยดีไปด้วยแต่ถ้าว่าเรา ไปคบค้ากับคนชั่วเหมือนกับเอาใบใบบอลใบกล้วยไปห่อปลาปลาเน่าอย่างนั้นไงใบกล้วยมันกันเน่าเหม็นไปด้วยเพราะเห็นอะไรเพราะว่าของนั้นมันเน่านี่แหละเพราะพระองค์ท่านบอกว่าการที่จะคบค้าสมาคมกับบุคคลใดให้ชํารวมให้ระวังให้รอบคอบในการเป็นอยู่ถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสังเกตใช้ความเข้มแข็งในตัวเอง คนนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความจะร่มเย็นผาสุกเกิดในชุมชนอยู่ในชุมชนใดก็มีแต่ความเจริญผาสุกแต่ถ้าว่าเราออกจากโลกวัฏสงสารนี้ไปแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผาสุกอยู่บนสวรรค์ดังั้นขอให้คณะสัตยา ญ, ญาิโยมทุ ก, ท, ก, ท, กทุกท่านนะวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องภาวนา และก็พร้อมกันนะหลวงพ่อประกาศอีกให้ทราบอีกว่านะวันนี้เป็นวันอัสารหบูชาวันนี้วันพุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาพระในวัดของเราทั้งหมดทั้งหมดพระในวัดของเราเดี๋ยวนี้48รูปพระที่จะจำพรรษาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันพุ่งนี้แหละรู้ได้ชัดถ้าอธิษฐานพรรษาแล้วก็จะรู้ได้ว่าพระจําพรรษาเท่าไหร่แน่แต่การเข้าพรรษาของพระสงฆ์ตั้งแต่วันพุ่งนี้แหละเป็นต้นไป จะมีการใส่บาตรนอกวัดนะที่พวกเราออกไปนอกวัดจะเห็นทางซ้ายมือที่เป็นกระต๊อบยาวๆหรือเป็นแผงยาวๆนี่แหละให้พวกคณะจัตวาญาติโยโมใส่บาตรตรงนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่คณะจัตว า, าญาติโยโมที่จะมาใส่บาตรวัดป่านาคําน้อยก็ให้มาถึงประมาณสัก6กโมงสี่หรือเจ็ดโมงนะประมาณเจ้า6กโมงสี่หรือเจ็ดโมงแล้วก็มาเรียง มาเตรียมใส่บาทที่ตรงนั้นนะพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะบินธบาติเป็นแถวการบิณธบาติของพระสงฆ์เดี๋ยวนี้มีอยู่4สายมี4สายสายหนึ่งคือสายบ้านนาคําน้อยสายที่สองกับสายชุมพลสายที่สสายนาคังสายที่4ี่คือสายห้วยเวียงงามในพระบิณธบาติสสายแต่มาเป็นสี่สายเราก็มารวมกันตรงนี้แหละตรงหน้าวัดนี่พร้อมกันทั้ง4สาย มายืนเรียงแถวกันจากนั้นก็รับบิณฑบาตจากกับจัตวาญาติโยมที่มาตักบาตรตอนเช้าแต่พระคงจะบินการบิณฑบาตของพระก็คงจะไม่พร้อมกันนะบางทีก็อาจจะมาอดทหารบั่ง10กว่าองค์บ้างหรือยีงองค์บั่ง5องค์6องสองสองค์เออบางทีหรือพวกเราเห็นเอ๊ะทาไมหลวงพ่ออินบอกว่าพระทําไม48ีองค์เนี่ยทำไมำไ ม, มาวันนี้เพียงเห็น30มสิกว่าองค์ท่านเองเนี่ย พอ พ, พระท่นอดอาหารนะท่านอยู่ในพรรษาในโดยมากท่านก็ให้อดอาหารอย่างอื่นหลวงพ่อก็พยายามจะไม่ให้มีการมีงานอะไรพยายามให้ภาวนาให้ศึกษาธรรมะเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเน่นในพรรษาก็ให้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเราจะทำจสิ่งไหนให้จริงเราจะ งดบุหรี่ก็ ง, งดจริงงดสุราก็งดจริงงดอบายยมุกก็งดจริงให้ไหว้พระสวดมนต์ให้ทำจริงจังอย่าให้ขาดก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระซะก่อนแล้วก็นั่งภาวนา5นาที10นาทีแต่ละวันก็จะได้ขาดถ้ามันขาดทำยังไงหลวงพ่อถ้ามันขาดเราก็กลับมาทำาทำใหม่อีกสมมตวันนี้เรามีเวลาเราไม่มีเวลาแต่ว่าเรายังไม่ได้ไหว้พระเรายังไม่ได้นั่งภาวนา วันลุ่งขึ้นเราแถมอีกสอง่อางั้นเลยเพิ่มขึ้นอีกน่ยลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วลบางที่ลุงพ่อทามไม่ได้ใส่บาตรเลยผมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกวันจะทํำยังไงเ<ม>นี่ยสมมติว่าพรุ่งวันเราจะจะใสบรบรบ่บาตรเราเคารพรักเคารพครูบาอาจารย์องค์ไหนวัดไหน<ม>อย่างเนี้ยเราไม่ได้มาใส่บาตรเราก็เออวันนี้เราจะใส่บาตรหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีอย่างเนี้ย เออเรือว่าวัดป่าบ้านตาดอย่างนี้อเราก็มีกระปุกเออเราก็ใส่ในกระปุกลงไปเวันนี้เราจะใส่กล้วยหอมหนึ่งใบหรือสามใบสีใบแล้วก็ว่าไปนมสีกรองอย่างนี้ยเราก็ใส่เข้าไปนมนมเราก็รู้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเอแล้วก็ใส่เมื่อออกพรรษาแล้วหรือว่าเดือนไหนที่พอเหมาะหนึ่งเดือนอย่างนี้เราก็นำจะถูกใจัยไปถวายท่านก็ได้ อันนี้ถวายอาหารใส่บาตครับผมล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าพวกเราฉลาดในการทำบุญนะ เ, เว้นเจียถตาเราไม่ใส่ใจมันก็อย่างว่านะไม่ทันก็ไม่ทันไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรถ้าเราใส่ใจเข้าไปกอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำาการทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลเราต้มีกินเราก็ต้องทาบุญให้มีกินมีทานคนโบราณเขาว่านะ ให้สร้างบุญสร้างอุญสวให้มีกินมีทานถ้าเรามีกินแล้วก็ต้องมีทานด้วยถ้ามีทานก็คือพ้นทางต่อไปภายภาคหน้าในอนาคตอนิสงฆ์แห่งการทำทานเราเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะไม่อดไม่อยากถึงชาตินี้ก็เถอะถ้าคนมีทานนะคนมีทานในในจิตในใจแล้วทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะอนิสง์ทานเพื่อคุณห น, นุนเป็นพลัง อันในสงทานมันเป็นพลังทําทให้กิจการงานของเราราบเรื่มไปได้หน้าที่การงานของเราก็ราบเรื่มไปได้เพราะพลังในการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าว่าคนไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลทําอะไรมา ต, ตกตกร่นรดลุ่ยลไปเรื่อยทําทอะไรก็ไม่สมความมุ่งมา่ปรารถนาเพราะอะไรเพราะบุญไม่มีบุญไม่เกือก้อคุ้หนุนเพราะนั้นเรื่องบุญเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะ จะเป็นผู้กระรทมปุญญานิปลโลกัดสมิงปฏิทถาหนติปา น, นิงบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัรพจัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้านะในาหลวงพ่อวันนี้พูดให้แก่คณะสัตย า, าติโยม เ, เป็นแนวความคิดายาวนานพอสมควรเพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นเวลาสาระพุชาเป็นวันเข้าพรรษาทำความเข้าใจกับพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆทุกๆ ท, ท, ท, ท่านนะ อาตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรและก็อุทิศส่วนกุศลด้วยนะอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาอาณาญาด่านมิตรสหายที่ผู้ที่ท่านหลวงรับไปแล้วขอขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าผู้ท่านพ่อแม่ของเราพี่น้องของเรายัางมีชีวิตอยู่ขอขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรณะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัตินะ